วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของปิยะชาติกสูตรคุณมรดพงค์ครับกลับมาการครับท่านอ่าใช่ครับในปิยะชาติกสูตรนี้มาในมัชฌิมานิกายนเป็นรเรื่องราวที่เป็นขนาดกลางนะมาในมัชฌิมานิกายครับเรื่องนี้มาได้ยังไงถ้า่ฟังได้อ่านมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ข้อ535 535นะซึ่งเรื่องเริ่มต้นก็คือพระเจ้าอยู่ที่เมืองสาวัตถี ที่ว่าเชตวันเชตวันใช่แล้วก็เห็นข้าราชการคนหนึ่งเขาแบบหน้าตาแบบเศร้าเศร้ามากเลยนะเพราะว่าลูกเสียนลูกคนเดียวของตัวเองเสียไปการแน่นอนคนที่ลูกตายก็เสียใจแน่ละเนาะก็เลยยังไงไม่รู้มาพบเจอพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็ได้เจอกันพระพุทธเจ้าก็บอกว่านี่แหละความโศกย่อมเกิดจากความรักเพราะฉะนั้นเมื่อพ้นแล้วจาก ของรักในความโศกก็ไม่มีในความโศกในที่นี้ก็รวมหมดเลยนะความโศกความร่ํารําพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความครับแค้นใจทั้งสิ้นมีของรักเป็นแดนเกิดอันที่ว่าพูดกะปริเทวะโทมานะอุปายะสะใช่ใช่ตรงนี้คือคําแปลแต่โสกคือความโศกปริเทวะคือความร่ำไรรำพันความทุกข์กายคือทุกขะโทมานะคือความทุกข์ใจ ความขับแก้นใจทั้งหลายคือเจ้าอุปญาตุอุปยาศาสตร์พวกนี้ทั้งหมดนะคือบางทีท่านพุทธทาสแปลเนี่ยก็ก๊อบบี้มาเลยหรือบางทีครูบาอาจารย์บางท่านแปลก็ก๊อบบี้ตรงนี้มาเพราะว่าบางคนก็จะเข้าใจนะถ้าแปลเป็นไดก็คือความโศกความรับรัรำพันความตุกกายความทุกใจและความขับแก้นใจทั้งหลายอย่างนี้เป็นมาแต่ของที่รักคือถ้าเรามีความรักสิ่งนี้ก็จะเกิดตามมาใช่มใช่ใช่ใช่อ่าเป็นความโศกจะเกิดตามมาได้เอ้าทําไมเป็นอย่างนั้นนะคือความรักเนี่ย ความสิ่งที่รักสิ่งที่เราชอบน่าจะทำความเพลิดเพลินความโสมนัสให้เกิดขึ้นน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่อันนี้คือคุณคือสิ่งที่ค้าบาชกคนเนี้ยที่ลูกก็ตายเนี่ยก็มีความเข้าใจว่าอย่างนั้นก็ไม่เห็นด้วยกับพุทธเจ้าละเนี่ยพุทธเจ้าทำไมมาพูดเวลานี้อันนี้มันเป็นตัวอย่างที่ที่เราเห็นได้ในชีวิตประจำวันนะหมอดาววใช่ครับใกล้ตัวนะครับเว่าพอเวลาเราถูกความโศกกลุ้มรุมแล้วเนี่ยเขามาบอกว่าตรงนี้ทางออก ไม่ไม่สนใจไม่รู้แบบแบบมันมองไม่เห็นใช่ครับมองไม่เห็นตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ไม่ป่ายไม่เห็นไม่ทำนะไม่ไม่แยแสก็เพราะว่าถูกความโศกเนี่ยมันบังไว้แบบหนาแน่นมากเน่ยชี้ให้เห็นพปาามที่จะบอกให้ทราบก็ไม่เห็นอ่ะก็ก็มันจะไม่เห็นอ่ะจะให้ทำยไงมันมันถูกรัดรึงแน่นมากอันนี้จึงเป็นเรื่องในในอีกหลายประสูตรนะคุณหมอหวงที่พระเจ้าได้เตือนถึงว่าก่อนที่ความโศกเนี่ยจะมาถึงเนี่ย เช่นก่อนที่ความแก่จะมาถึงก่อนที่ความตายจะมาถึงเนี่ยอันอันเป็นผลที่จะทําให้เกิดความโศกอย่างเงี้ยใช่ครับเนะี่ยเพราะว่ามันมันมันทำอันตรายกับของรักเราแล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรเนะี่ยเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยเมื่อถึงเวลาเนี้คือตอนนี้เราต้องทำอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งก่อนเนะีเพื่อที่ให้เมื่อถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุขอยู่ได้นะีมไม่เกิดความโศกขึ้นครับเนี่ยซึ่งตรงนี้แหละคือถ้าขณะบดีคนที่พระเจ้าสนทนาอยู่ด้วยเนี่ยเขาไม่ได้ทํา แล้วเขาไม่ได้ทำสิ่งที่เมื่อถึงเวลานั้นอย่างเช่นกรณีนี้คือความตายมาถึงละเขากลับอยู่ไม่ผ่าสุขเพราะเขาไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำไว้ก่อนหน้านี้ทำให้พอบอกแล้วว่าเอ้ยความสกย่อมเกิดแต่ความรักนะไม่เข้าใจไม่เก็ตอ๋อไม่เก็ตใจพอไม่เข้าใจไม่เก็ตแล้วก็ก็บืออต่อไปไม่สนใจก็ทายังไงล่ะทีนี้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มี ลูกจากพระเจ้าไปแล้วเนี่ยก็มีพวกนักเลงที่เขาเล่นสากากันนักเลงเนี่ยหมายถึงว่าผู้ที่เชี่ยวชาญในการเล่นสากาครับเห<า>มือนเล่นหมากรุ ก, กใช่ใช่สากาเนี่ยคือเป็นหมากเกมชนิดหนึ่งที่มีการแบ่งเป็น2ข้างนะแล้วก็มีตัวเหมือนกับหมากฮอสหรือหมากรุกหรือเล่นโกะอะไรเงี้ยที่แบ่งเป็น2ข้างของสมัยนั้นเขาซึ่งแน่นอนแหละเวลาที่แบ่งเป็น2ข้างแล้วมันก็จะมีการเล่นปนานกันล่ะเพราะฉะนั้นจุนี้จึงเป็น เป็นศีนหนึ่งของพระเจ้าเหมือนกันนะที่บัญญัติเอาไว้ให้ภิกษุเนี่ยอย่าไปดูการเล่นชนิดที่ว่าเป็นแบ่งเป็น2ข้างเช่นตีมวยเล่นฟุตบอลอะไรพวกนี้นะ oh. ไ, ไม่ดูอันนี้คือคือเป็นศีลของพระเป็นศีลเป็นศีลอันหนึ่งใช่ใช่ทีนี้พอปรากฏว่าข้าราชการคนนี้ในะที่เขาถูกความทุกข์ความโศกความเศร้าเนี่ยกลุ่มรุมอยู่เนี่ยได้เข้าไปหานักเลงสกาที่เขาเล่นสกากันอยู่ในที่ใกล้ๆกันนั้นนั้นเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังแล้วคือคนเป็นทุกข์เนี่ย ไม่ชอบเอาเรื่องที่ตัวเองเป็นทุกข์เนี่ยไปแฉไปบอกให้คุณหนึง่งเขาฟัง ค, นะคิด<ร>ว่าบบเรื่องเนี้จะระบายความทุกข์จากใจของตัวเองได้นะแต่หารู้ไม่ว่าพอเราคิดทีละเราก็ช้ำทุกทีคิดทีละเราก็ช้ำทุกทีนะคิดเรื่องนี้ก็เอ า, เอามีดปัก อ, อกทีหนึ่งคิดเรื่องนี้ก็เอามีดปัก อ, อกทีหนึ่งแข่งซ้ำๆๆๆใช่มันก็ยิ่งเจ็บซ้ำเจ็บย้ำเหมือนแผลกดทับย้ำๆซ้ำๆนี่ครับอถ้าบางคนคิดว่าซ้ำๆย้ำๆแล้วมันจะดีขึ้นมันบัญชามันจะ เฉยชาไปเพราะว่ามันมันไม่ได้ยาใช่ไหมคือ <c ười> คนที่เป็นเป็นแผลทางใจเนี่ยต้องได้ยารักษานะี <c oughs> ไม่ใช่ว่าเอามีดไปรกรีดให้มันลึกขึ้นครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะไปแบบคิดเรื่องที่ไม่ดีอย่างนั้นอีกนะี <c oughs> คุณจะเปลี่ยนความคิดไหมอันนี้มาไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่ต้องไปคิดเรื่องพวกนี้นะ <c oughs> แต่ต้องทําความเข้าใจให้ถูกนะว่าแผ <c oughs> ลหรือประเด็นของเรื่องนี้มันอยู่ที่ไหนซึ่งพระเจ้าบอกไว้แล้วตรงนี้ว่าคือที่ของรัก ของรักความโศกความรำลึกความพันความทุกข์ใจของผู้ชยเนี่ยมีของรักเป็นแดนเกิดอิตากระบดีคนนี้เขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจซึ่งซึ่งพอเขาไม่เข้าใจเขาก็แบบไม่รู้ไม่เห็นอย่างที่ว่านี่นไปถามถานักเลงพวกสการพวกนักเลงสการนันก็บอกเออถูกแล้วถูกแล้วถูกต้องแล้วเดีเขาก็พอใจว่าความคิดของเขาตรงกับความคิดของนักเลงสการทั้งหลายแล้วนะแล้วก็หลีกไปหมอพระวงนึกก่อนนะว่าตั้งแต่เราคุยคุยเราคุยมาต้นรายการเนี่ยสิ่งที่เป็นคําของผู้ช่าเนี่ย มีแค่ว่าความโศกความ ร, ร่ำในรำพันความทุกข์ใจและความขัดขันใจทั้งหลายเนี่ยเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดเท่านั้นเองนะไอ้เรื่องราวที่ว่านักนิสากาก็ตามก็แตบดีคนนี้เขาพูดอย่า ง, งานั้นก็ตามนั่นไม่ใช่พุทธบทแต่เป็นเรื่องที่มันมา อ, อยู่ในพระสูตรแต่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยส่วนที่เป็นสุดตันตะส่วนที่เป็นยอดของเนื้อเรื่องตรงเนี้ยคือครประเด็นที่ว่าอิตาคนนี้เขามีความทุกข์งนี้เกิดขึ้นเขาก็จึงมาสนทนากับผูบ้ชราอันนี้เป็นใจความสํำคัญอัวหนึ่งที่ อืมครับเข้าใจครับทีนี้ผ่านไปเนะเรื่องราวตรงบทสนทนาตรงเนี้ยก็เลยทําให้แบบแพร่ไปทั่วนะในเมืองสาวัตถินั้นสาวัตถีครับซึ่งตอนนั้นก็มีพระเจ้าที่พระราชาที่ปกครองอยู่ก็เรียกว่ า, พ ร, าวพระเจ้าพระเสนิโกสนครับนะพระเจ้าพระเศสนิโกสนได้ฟังคํานี้แล้วนะ่ยก็เลยเรียกพระนางมริกาซึ่งเป็นเมฮสีของตัวเองนะํามาถามเนะื่อที่จะคงจะต้องการความเข้าใจให้มันลึกซึ้งแนหะ อาวาทำไมของรักแล้วมันจะจะทำความสุขให้เกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องแปลกเหมือนกัน น, นะนหมอรัพพง์ถ้าถ้าจะมีใครมาพูดว่าคุณรักสิ่งนี้สิ่งนี้จะนำความทุกข์ให้คุณเเราก็ยังขับรถเ ร, เราก็รักรถเราหนะ้ามันก็ยังมีความสุขความสบายเกิดขึ้นจากรถเรารใช่ป่ะใช่เราก็รักเพ่อแม่เราน ะ, ะพ่อแม่เราก็ยัง มีความนําความสุขความสบายอะไรมาให้เราหรือลูกหรือคนที่เรารักรต่างๆใช่ไหมไ ม, ม่ว่าจะเป็นบุคคลข้าวของสิ่งของสถานที่อะไรก็แล้วแต่แต่ทำไมทำไมพระเจ้าตรัสอย่างนี้จั<า>กเหม็นแบบว่าโอ้โหแบบตรงกันข้ามเลยอ่ ะ, ะมันน่าจะมีความหมายอะไรที่ลึกซึ้งตรงนี้อยู่ใช่ครับแต่ก็เลยเลยเลยเรียกพระนางมาริการมาถามเพราะว่าพระนางมาริการเนี่ยเป็นคนฉลาดนะครับเป็นคนฉลาดเป็นเหมือนกับคู่บารมีของพระเจ้าเปร์เซนต์ทีโกศลนั่นแหละแล้วก็รู้ได้ว่าพระนางมาริการเนี่ย แหมเคารพรักศรัทธาในในสมณโคดมในพระพุทธเจ้ามากก็น่าจะทราบข้อความพวกนี้ออันนี้ก็เลยเรียกมาถามอทีนี้พอมาถามแล้วเนี่ยพระนางมาริการนีก็ให้คําตอบว่าเออท่าพุทธเจ้าตัดอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเนี่ยไม่ได้มีความสงสัยใดๆเพราะว่าตัวเองเป็นผู้มีศรัทธานะครับศรัทธาเต็มผู้มีศรัทธาใช่ใช่อที่หมอรัตน์พูว่าศรัทธาเต็มเนี่ยอาจจะคือพระนางมาริการเนี่ยต้องให้ความ ความกระจ่างกับท่นานผู้ฟังในที่นี้ด้วยว่าเป็ น, ปนคู่บารมีของพระชาติเปเสนิโคสัน oh. นะซึ่งในที่อื่นเป็นนิทานที่มาทําบทเนี่ยแล้วเขาก็พูดถึงพระชาติเเสนนิโคสัเนี่ยเป็นผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิป oh. รารถนาพุทธภูมิเพราะฉะนั้นนางมริกาเนี่ยจะไม่ได้เป็นโสดาบันครับ <แ family S 2> <แ>จะไม่ได้เป็นโสดาบันคือถ้าศรัทธาเต็มนะเรา ก, กําลังพูดถึงหมายถึงคนที่เป็นโสดาบันเป็นสกทาครมีจนถึงอรา น, นั่นนะอ๋อแต่แต่นางมริกาเนี่ยไม่ได้เป็น อะรแบบบุคคลขั้นโซดาปฏิผลไม่ได้เป็นนะแตน่ที่นั้นอาจจะเป็นโสดาปฏิมาคือเดินตามทางมาร์กอยู่แต่ยังยังไม่ได้นิพพานในช่วงเจชาตินี้นก็ต้องตามกับพระเจ้าเสรตนิโคสมไปเรื่อยล่ลนะนนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปนะทีนี้อ น, นุ่นด้วยความที่ตัวเองมีมีศรัทธาในในคำสอนของพระเจ้าก็เลยก็เลยบอกว่าก็ต้องไปอย่างนั้ น, นก็จบไปนะบทําให้พระเจ้าเปรตนิโคสมก็ยังไม่เคลีย มอรพย์พงคงนึกถึงว่าอ้าวแม่เราอุตส่าจ์ไปถามลูกศิษย์ที่มีความรักความศรัทธาในพรนะเจ้าก็ยังไม่ทราบคำตอบอทำไมเป็นอย่างนี้แนะก็เลยที่นั้นบทสนทนาที่พระเจ้าเปสนิโกสนบอกกับนางมารีกาก็ไปไปไปจงหลีกไปจบหน้าไปเสียอ่าใช่ใช่เจอจงแบบไม่ได้เรื่องเลยอะไรประมาณนี้ ตบท้ายบอกว่าเธอจงพี่นาถอย่าไปโผงผงนะครับก็ไม่ได้เรื่องเลยว่าอย่างนั้นเถอะนะก่อนนี้ไม่รู้พูดเล่นหรือพูดจริงแต่แต่เป็นเป็นพระสูตรที่มาในี่ทีนี้คือคือตรงนี้ก็เป็นบทสนทนาของเขาครับทีนี้นางมาลิกาก็ไปหาคําตอบทีนี้นะโดยเรียกพรามณ์คนหนึ่งชื่อนาลิชังคะนะให้นาลิชังคะเนี่ยไปตรวจสอบกับลูกชาวซิว่าหมายความว่าไงกันแน่ นะซึ่งความละเอียดละอของนางมริกาเนี่ยมีความละเอียดละอามากนะ ใ, ในนิทานเรื่องอื่นๆที่มาในธรรมบทเนี่ยพูดถึงการเตรียมการในเรื่องของอสัตถิสทานเวลาที่จะตรีมของตวายมุริย่าแหมเขาอธิบายไว้ละเอียดมากเลยนะครับ ซ, ซึ่งในพระสูตรนี้ก็ได้บอกถึงอาการที่พระนางมริกาเนี่ยส้องกำชับน า, นาลิชังคะพรามเนี่ยให้เตรียมการยังไงอะไรต่างๆถามพระรู้จ่ายไงตอบไงและต้องถามยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบกำกับบทเพยงชนะทุกตอน ม, มี้อ่านี่เป็นเพราะธรรมชาติคือความละเอียดของนางมริกานะอันนี้ก็เป็นที่ยืนยันมาในพระสูตรอื่นๆด้วยว่านางคนนี้ก็มีธรรมชาติเป็นอย่างนี้ไม่ใช่คนแบบหยาบๆนะแต่เป็นคนที่มีความละเอียดละเอียด ร, บรอบๆใช่ใช่นะก็ความละเอียดตรงนี้เขาก็พูดถึงตรงนั้นนะแล้วก็ได้ไปถามพระชาว่าไอ้ที่บอกว่าความโศกความร่าไรําพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความกัปเกณฑ์ใจทั้งหลายย่อมเกิดแต่ของรักมีของรักเป็นแดนเกิดเนี่ย ได้ได้บอกจริงหรือเปล่าแล้วก็หมายความว่ายังไงพระพุทธเจ้าไม่น่าจะพูดผิดใช่ไหมอะไรอย่างนี้ครับนะก็ได้ถามตามนั้นละนั้นได้ไปสอบถามพระรุทธเจ้านั้นโดยส่งนาลิชังค า, า, าพราม์นี่ไปเป็นทูตนันคือไม่ได้ไปเองครับให้ทูตไปก็ปรากฏว่านาลิชังคาพราหมเนี่ยก็เลยไปถามพระุทธเจ้าถึงตรงนี้พระุทธเจ้าก็ตอบนะตอบให้นั้นโดยยกตัวอย่างถึงสามสี่เรื่องตรงนี้ด้วยกัน โดยเรื่องของแม่กับลูกแม่นี่แม่ตายลูกก็เลยแบบโอ้โหเศร้าโศกเสียใจมีจิตบ้าเป็นคนบ้าจิตฟุกงสั้นสติแตกสติแตกไปเลยอ้าวเออใช่ฮหก็ลูกก็รักแม่ถูกไหมพอแม่ตายลูกก็เลยเสียใจมีความโศกความรํารำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความกับแกนใจเกิดขึ้นก็เลยชี้ให้พรามดูชี้ให้พรามนริชังคาดูว่าเออมันจริงไหมล่ะเออใช่เว้ย จริงไว้แล้วก็ไม่ใช่แค่ามารดาเท่านั้นแต่ยงรวมถึงบิดาญาติพี่น้องอบุตรภรรยานะหรือรสามีก็ตามนะถ้าตายไปทำกาลาไปโอ้มันจะต้องเศร้าใจแน่นอนทุกอกทุกใจมีความโศกความร่ำรำพันอย่างที่ว่าแน่นอนนะอันนี้คือเป็นปริยายแบบนีดหนึ่งนะเป็นคำอธิบายอันที่หนึ่งตัวอย่างที่2ก็คือพูดถึงชายคนหนึ่งชายคนหนึ่งก็ มีพ่อตายเหมือนกันพ่อตายแม่ตายเพื่อนญาติพี่น้องลูกหลานตายพวกนี้แล้วก็จะทุกข์ใจเหมือนกันนี่คือตัวอย่างที่สองที่พู้เจ้ายกขึ้นให้ดูมีขอแทรกนิดนึงครับอาจารตายในพระสูตก็คือคําว่ากาละถูกต้องถูกต้องในพระสูตนี้เขาใจว่ากาละนั่นคือหมดเวลาของเราละหมดเวลาอหมดเวลาก็คือตายนั่นเองแล้วเวลาที่เขามีจิตเป็นบ้าฟุ้งซ่านไปมีความโศกความําร่ำําพันเนี่ย ก็จึงเกิดขึ้นในในกรณีนี้แตทีนี้ในเคสที่3นในเคสที่3ที่มาในพระเติปิดกเนี่ยก็คือข้อ 5, 4, 2นะก็มีความแตกต่างกับอ2อเคสแรกนิดหนึ่งนะตรงที่ว่ า, าผู้หญิงรักผู้ชายจะมาผู้หญิงรักผู้ชาย2คนนี้เขาก็อยากจะอยู่ด้วยกันมีนะความแฮปปี้เอนดิ้งตามภาษาชาวโลกธรรมดาแต่แต่ปรากฏว่า <c oughs> แต่ปรกาปรกฏว่าญาติของเขา นะกลับยกผู้หญิงคนนี้ให้ชายคนหนึ่งไว้แล้วอ่าหญิงคนจะรักกันเนี่ยมันอยากจะอยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันมันก็มีความโศกนะก็เลยผู้ชายนะก็เลยตัดผู้หญิงออกเป็นสองท่อนคือฆ่าผู้หญิงด้วยฆ่าผู้ชายด้วยเหมือนโรเบียลจูเลียตเลยลคนรักกัน <c oughs> อยู่ด้วยกันได้ยังจะมีความสุขแต่ก็สุดท้ายก็ต้องมาตายจากกันครับแต่ทั้งคู่เลย ก็มีมีเคสที่ต่างกันไปอีกนี่คือกรณีที่สามนะก็ความโศกก็จะต้องเกิดจากความรักนี่เองใช่เพราะเขารักกันเนี่ยพอเขาจะแยกกันเขาจึงมีความโศกเกิดขึ้นอืนั้นเลยต้องมาตายนะกรณีแรกเนี่ยคือตายก่อนแล้วจึงค่อยโศกนะกรณีนี้โศกแล้วจึงตายโศกแล้วจึงตายมันจะสลับกันนิดนึงนะพอได้ฟังธรรมสามปริญญานี้นในอธิบายในหัวข้อที่เรียกว่าความโศกย่อมเกิดจากความรักนะคือ ความสุขเกิดจากความรักนี่แหล ะ, ะได้อธิบาย3าปริยญานี้แล้วน า, นานลิชังคาปรามก็เลยไปเล่าเรื่องนี้ให้นางมาริกาฟังพอนางมาริกาเข้าใจเนื้อความตรงนี้แล้วนี่เป็นคนฉลาดนะหมอรัตบง พ, พอเข้าใจเนื้อความนี้แล้วไปหาพระเจ้าเประเสินิโคสนกราบทูลความเรื่องนี้เนี่ยก็มไม่ได้พูดเหมือนรพระเจ้าเป๊ะเข้าใจไหมคือไม่ได้พูดข้อความนั้นเป๊ะแต่เอามาแอพลายก่อน อืมแล้วก็พิจารณาดูให้ด้ว่าเออพระเจ้าเปอร์เซนิโกสนเนรักใครชอบใครพอใจใครอ๋อเอามาเปรียบเทียบกันอ่าเอามาเปรียบเทียบกันแล้วก็ยกตัวอย่างถึงอ่านางวัชรีกุมารีครับวัชรีกุมารีไหว่าอ่าถ้านางวัชรีกุมารีเนี่ยอา่าเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นครับเอ้าทาไมจะไม่ทุกข์ได้ล่ะอืมอก็ต้องทุกข์เหมือนกันนี่แหละจึงเป็นเหตุที่พระเจ้าจึงบอกว่าหอความโศกย่อมเกิดจากความรักใช่คะเพราะว่าพระเจ้าเปอร์เซนิโกสนเนรัก พระนางวชิรีวชิริกุมารีนะก็คือคลูกของตัวเองแล้วนะอน ล, ลูกสาวอาจจะเป็นลูกสักคนใดคนหนึ่งครับนะเอา้าก็ต้องโศกเป็นธรรมดาอันนี้คือข้อที่1ลึ่ดี๋ยวตัวอย่างไวนะ้แล้วก็ข้อที่2องก็ยังพูดถึงคนอื่นอีกนะเช่นนางวาสภาคติยาครั บ, รบซึ่งอาจจะเป็นน้องหรือเป็นหลานสักส่วนใดส่วนหนึ่งสิ่งนี้คงจะต้องหาข้อมูลต่อไป ว, ว่ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพิเศษทีิโกศลอย่างไรนะครับ แต่ถ้าถ้าคนนี้คนที่พระเจ้าเป็ น, น, นที่โนะคศุลรักคนที่สองนะคนแรกนี่คืออนาวัชิริกุมารีโอริกุมารีคนที่2อนี่คือวาสปะคัตยาเขาตายไปเปลี่ยนแปลงไปหรือว่ามีอะไรสักอย่างในหนึ่งเกิดขึ้นกับเขาในทางที่ไม่ดีเนี่ยนะก็จะไม่ไม่สุขใจถูกไหมล่ะก็จะทุกข์ใจนี่คือกรณีที่2องอกรณีที่สองแ ค, นะค่ที่สามที่ นามริกายุตัวอย่างก็คือวิตูทภาเสนาบดีนะซึ่งวิตูทภาเนี่ยเป็นคนที่เรียนหนังสือมาด้วยกันกับพระเจ้าประเสดิโกสนที่เมืองตักกศิลานู่นนะโดยวิตูทพาเนี่ยเรียนวิชาการใช้ลูกศรนะวิชาการยิงธนูมาส่วนพระเจ้าเปะเสดิโกสนเนี่ยเรียนวิชารัฐศาสตร์คือการปกครองมาปกครองดินก็เลยทําให้ได้มาทํางานของตัวเองคือเรื่องของวิตูทพ้าเนี่ยมีเรื่องที่เป็นรายละเอียดเยอะแยะไปอีกนะ ตอนหลังสุดท้ายก็มาถูกพระเจ้าเสชินทิโกสนเนี่ยโดยอุบายทางการเมืองของคนที่ไม่ชอบวิูุตภะเนี่ยใส่ร้ายให้ร้ายทําให้สุดท้ายก็ก็ตายวิูุตภะก็ตายใช่ด้วยอุบายทางการเมืองของสินาบดีคนอื่นอะไรยังไงก็ตามตอนนั้นก็ยังดีกันอยู่แ ล, แล้วถ้าวิจุตภะเกิดเป็นอะไรไปเนี่ยพระเจ้าเปชินิโกสนก็ไม่แฮปปี้แน่นอนต้องมีความโศกแน่นอนนีน่คือคือตัวอย่างที่สามแตัวอย่างที่สี่ที่พระนางมาริกาในยกตัวอย่าง นี่คือตัวของนางเองนะี่คือคตัวของนางเองว่าถ้าเป็นอะไรไปเนี่ยก็จะจะต้องเป็นไปอย่างอื่นแน่แะจะจะไม่จะไม่พอใจแน่กา ร, รจะมีความทุกข์แน่นี่คือตัวอย่างที่สีนีซึ่งจะเห็นได้ว่านางมริกานเนี่ยก็เป็นคนฉลาดฉลาดนะที่ที่แอพพลายรูนะ้จักประยุกตนะ์คำคำตอบนะีคือโดยไม่ใช่ยกตัวอย่างบุคคลในบุคคลหนึ่งอะแต่มีการน้อมเข้ามาใส่ตัวทันทะีตัวอย่างนี้เขาเรียกว่าการน้อมเข้ามาสู่ตัว เข้าใจไหมเพราะว่าพระเจ้ายกตัวอย่างชายคนหนึงหญิงคนหนึ่งนางคนหนึ่งอย่างนี้แต่ถ้าเราน้อมมาสู่ตัวโอ้ถ้าเป็นพ่อเราล่ะถ้าเป็นแม่เราล่ะแล้วพ่อเราชื่ออะไรแม่เราชื่ออะไรเอายกตัวอย่างเคสเนี้ยมาในกรณีของนางมาริกาที่คุยกับพระเจ้าเปรสเนโกสนนะนี้ก็เลยเลยทําให้เกิดความเข้าใจในธรรมะมากยิ่งๆเพราะมีการน้อมก็มาสู่ตัวจริงจริงอนนี้เป็นคุณสมบัติของธรรมะอันหนึ่งมาดอนพงับ ที่เรียกว่าอปนะนิยโกเนี่ยถูกต้องถูก<ๆ>ต้องที่เรียกว่าเราสามารถที่จะมามาแอพพลายใช้กับเราได้คือทุกคนจะต้องทําได้อย่างนี้นะเพราะว่าธรรมะมันมีคุณสมบัติเป็นอย่างนี้คือไม่ใช่เฉพาะพรุทธเจ้ า, าจะทําได้องค์เดียวหรือว่าพระพุทธเจ้าจะเข้าใจองค์เดียวหรือทา่านภาษาญี่ปุ่เข้าใจองค์เดียวจะมาเข้าใจคนเดียวนะั้ไม่ใช่แต่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเอามแอพพลายเข้ากับตัวเองได้ครับเอาฉันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคือตรงนี้ฉันฉันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะอย่างนี้ ในทางปฏิบัติเราก็ต้องนึกว่าพ่อแม่เราภรรยาบุตรที่ดาเนี่ก็มีโอกาสที่จะตายไปใช่<อ>ใช่นะครับใ ห, ให้คิดให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับใช่<ม> ใ, ชใช no. <ม>เนาะทีนี้ความรอบคอบมันก็จะเหนือชั้นกันไปอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเราถ้าเราดูอุปมาทประมัะมยที่บุญเจ้า ย, ยกเนี่ยก็มีสามเคสด้วยกันใช่ครับเคสแรกคือผู้ชายใช่ไหมเออหญิงคนหนึ่งเคสที่สองคือชายคนหนึง่งเคสที่สามเนี่ยคือสองเคสแรกเนี่ย คือคือคือตายก่อนแล้วจึงเกิดกความโศกอันที่สามนี่คือโศกแล้วจึงตายใช่ค่ซึ่งนางมาริการ์ไม่ไดียวตรงนี้อ่าไม่ได้ยกตรงนี้เพราะว่ามันไม่ได้ถึงเคสขนาดที่ว่าจะต้องตายตามไปไปแต่แต่อย่างไรก็ตามหมอรัชพง์ถ้าเราจะพูดว่าเออพระนางมาริกาเนี่ยไม่คมเท่าพระพุทธเจ้าแต่เราก็พูดได้ไม่เต็มที่นะเพราะว่าตัวอย่างที่พระเจ้ายกสองอันแรกเนี่ยคือเรื่องของญาติลูกเนี่ยยังอยู่นะพ่อตายแม่ตาย แล้วก็อันที่2ก็เป็นผู้ชายผู้ชายกับผู้หญิงสองตัวอย่างแรกรเป็นลักษณะว่าญาติของเราซึ่งตรงนี้พระนางมริการก็ยกตัวอย่างได้ถูกต้องยกตัวอย่างถูกต้อง2ตัวอย่างแรกที่มามาแอพพลายมามาประยุกต์ใช้อ่ะบอกกับพระชาปสเซนติโกสนสตัวอย่างแรกที่พูดถึงก็เป็นญาติของพระองค์ในะวิถุตภะนี่ก็เหมือนเป็นญาตินะเพราะว่าไปไปเรียนหนังสือมาด้วยกันนะตั้งแต่สมัยยังเป็นหนุ่มยังเด็กอยู่ แล้ว ก, ก็มีความสัมพันธ์แบบญาติเพราะคุ้นเคยกันแต่ส่วนตัวอย่างที่สามที่พูดถึงเรื่องของคนที่รักกั น, นแล้วก็ทุ ก, ก่อนแล้วค่อยตายใช่ไหมที่จะมาพูดเมื่อสักครูท่ทีนี้ถ้าบอกว่าเราจะเอาเรื่องความตายออกไปเพราะว่าตัวอย่างของนางมลิกาเนี่ยยังไม่ได้มีใครตายก็จะต้องก็จะพูดเรื่องตายยังก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวอย่างที่3ที่ได้พูดถึงก็คือเรื่องของผู้ชายผู้หญิงรักกันที่พระเาได้ตรัสไว้ ซึ่งนางวลิกาก็ยกตัวอย่างได้ถูกก็คือตัวของนางเองเนที่เป็นมาเห็สีของพระเจ้าปเปชินนิโกสนก็เป็นเรื่องระหว่างความรักระหว่างชายหญิงครับอ่าก็ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นความคมตรงนี้ในการประยุกต์ใช้ก็ตามพระรุชาเหมือนกั น, นครับถ้าเราจะยกเรื่องของอ่าตายก่อนตายหลังออกไปก่อนนะแล้วก็ดูที่ตัวอย่างแค่ว่าอ๋สอสตัวอย่างแรกเป็นเรื่องของญาติเป็นเรื่องของคนที่คุ้นเคยกันแล้วตัวอย่างที่3ก็เป็น เรื่องของระหว่างผู้ชายผู้หญิงเป็นความรัก2แบบใช่ใช่ใช่เป็นความรัก2แบบที่ยกตัวอย่างได้ถูกต้องเหมือนกันครับอย่างนั้นก็ตามความละเอียดรับข้อของพระเจ้าก็จะมีอยู่ตรงนั้นครับทีนี้พอพออธิบายให้ทราบข้อมูลดังนี้แล้วเนี่ยรพระเจ้าเศนิโกสนหลังจากที่เข้าใจความหมายที่นามริกาอธิบายเอาไว้เนี่ยก็มีความศรัทธาเลยทีนีนะ่คือบุคคลที่ที่เห็นธรรมะไม่ว่าจะระดับใดระดับหนึ่งะนะมรรต เขาก็มีความเข้าใจในธรรมระดับในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะมีความศรัทธาเกิดขึ้นว่าโอ้ใช่ใช่จริงๆริงจรินะพอมีความศรัทธาแล้วก็จะแสดงอาการของผู้ที่มีความศรัทธาครับนะซึ่งตรงนั้นพระเจ้าเสรตดิโกสนก็เลยลุกขึ้นจากที่นั่งของพระองค์นะแล้วก็คุกเข่าควาลงนะน้อมอัญเชลีคือพนมมือไหว้ไปทางที่พระเจ้าประทับอยู่แล้วก็บอกว่านโมตสัปปะกวาตโตอาลาโตสมมาสมุทธสสะ3าครั้ง ครับอ่านะก็คือแสดงความนอบน้อมคว<ร>ามเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั่นเองครับอืมอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นพระสูตรอ่ามาในมัชฌิมานิกายครับอ่เป็นเป็นพระสูตรที่เรียกว่าอ่าปิยชาติกาสูตรปิยเนี่ยหมายถึงความรักนะความพอใจความรักใคร่กอบาไปนะชาติกาลหมายถึงการเกิดนะแต่จะแปลในที่นี้ก็คือเกิดจากกองรักนะหรือว่าด้วยสิ่งอันเป็นที่รักนั่นเอง เกิดจากของรักซึ่งอะไรล่ะเกิดจากของรักเราสรุปคีย์เวิร์ดสุดต่างๆในที่นี้ในที่เปกรรมของผู like ้ชาในที่นี้ก็คือความโศกความรําริลำพัน์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขัดแย้งใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดนี้คือส่วนที่เป็นปุริพจนตรงนี้นส่วนอื่นที่เป็นข้อความที่มีความหมายลึกเป็นชั้นโลกุตระก็เช่นพวกของการอบัญิโกได้ครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่นางมาริกาเอามาแอปพลายใช้ นะส่วนอุปมาอุปไมยที่พเจ้ายกไว้ก็มีความหมายลึกซึ้งมีหลายเลเวลนะนี่เราก็ได้เห็นกันอยู่ใช่ครับแต่เราะันการฟังสุดตาเนี่ยจึงจะต้องฟังให้ดีนะอาจจะฟังรอบหนึ่งหลายรอบไครครวนไปและบางทีบัคคูราอาจารย์บางท่านนะหรือพระสงค์บางรูปหรือเพราะว่าบางคนอ่านไครครวนแล้วก็เห็นแง่มุมตรงนั้ น, ต ร, น, นตรงนี้เอามาแบ่งบันกันทำให้เลนนิ้งเคิร์ฟของเราเนี่ยจะเร็วขึ้นอืมคือค บ, บางอย่างเราไม่ได้ว่าต้องมาคิดเองใหม่หมด ใช่ครับเขาเห็นมาก่อนแล้วาคิดออกอีกก่อนแล้วเราก็มาศึกษาดูมันก็จะเร็วขึ้นแต่ไม่ได้ในส่วนที่เป็นอคติคาถาเนี่ยบางทีท่านก็อธิบายเอาไว้ข้อมูลตรงนี้เอาไว้ก็เป็นประโยชน์ใช่ใช่จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาธรรมะของเรามากยิ่งขึนเนาะตรงนี้ครับอืมเอาพุทธสุดนี้ก็จบลงตร้นี้นะก็ตอนต่อไปก็จะว่าถึงเรื่องพุทธสุดต่อไปครับอย่างนี้หนทางแก้เนี่ยพระพุทธเจ้าเราเราพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยความรักทําให้เกิดความทุกข์ร่ำไรลําพันธ์ ทางแก้ที่ที่เรานึกนึกถึงก็คือพระเจ้าได้สอนองค์ธทรรมข้อไหนนะครับอของรักเนี่ยจะละจากของรักจีตใจเราจะทําความโศกนี้ให้ดับไปได้อย่างไรนะก็ต้องแก้ที่เหตุนะพูดถึงความ<ช>ที่เราจะไปยึดถือของรักนั้นนะก็คือการที่เราเดินตามมักแปดนถ้าเราเดินตามมักแปดเรื่องของสีงสมาธิปัญญานะจะทําความเหนืดความเหนียวความยึดถือในของรักนั้นออกไปได้พอความเหนืดความเหนียวในการยึดถือของรักนั้นก็ไม่มี พอไม่มีของรักก็ไม่เกิดเพราะไม่มีของรักความสุขก็ไม่มีครับทำเป็นคนตอบไปอย่างนี้แต่เพราะนั้นคือเราปฏิบัติตามอริยมคือองค์แนั่นเองนะเราทําให้ถึงจุดใดจุดหนึ่งมันก็จะค่อยปล่อยวางตัวนั้นปล่อยวางตัวนี้ได้นะยกตัวอย่างเช่นอะไรบางเช่นของเด็กเล่นที่เราเคยเล่นมานบางทีเราเล่นจนจนเบื่อแล้วเราโตแล้วเราเห็นว่ามันเป็นของเด็กเล่นเนี่ยเราก็คลายความรักความพอใจความยินดีในของเด็กเล่นนั้นเพราะอะไรเพราะเห็นจริงแล้วมันไม่ใช่ของจริงมันของเด็กเล่น แต่ว่าตอนเป็นเด็กนี่หุ้ยไม่ให้ใครแตะเลยนะใช่ครับกินข้าวก็ไม่ไปกินอาจจะเล่นอย่างเงี้ยเด็กสมัยนี้ก็เล่นอะไรล่ะเกมกดคอมพิวเตอร์มือถือไอไออะไรต่างๆ่างนั่นาแท็บเล็ตพวกเนี้ยซึ่งซึ่งพอเล่นไปเขาก็ไม่ไม่ไปทำอย่างอื่นอ่ะเขารักมากแต่แต่พอโตขึ้นเนี่ยก็ไปเล่นของเล่นของเด็กโตโตขึ้นมีก็เล่นก็เล่นของเล่นของผู้ใหญ่แลซิงอ่ามันก็จะคลายความรักในสิ่งนั้นได้เพราะเห็นตามที่เป็นจริง แล้วถามวาเห็นตามที่เป็นจริงว่าอะไรเพราะมีปัญญาปัญญามาจากไหนเอาปัญญามาจากการที่จิตคุณมีกําลังอะไรเป็นกําลังตรงนั้นสมาธิไงครับอย่างเงี้ก็สมาธิปัญญาก็ต้องอยู่ในเรน่องของศีลใช่ไหมตั้งอยู่บนศีลอันนี้คือเรื่องของมรรคแนั่นเองครับเพราะฉะนั้ในประชุมนี้ก็คงจะจะจบตรงที่ตรงนี้นะหมาระพงศ์เราก็ครบถ้วนเรียบร้อยในเรื่องตรงนี้ครับดีครับก็ครบถ้วนแล้วถ้าถ้าถ้าผู้ฟังมีคําถามข้อสงสัยใดใ นะถามไว้อาจาอาจะถ้าจะมีประเด็นอะไรมาเปิดขึ้นต่อเนี่ยก็จะมาคุยถึงเรื่องนี้นะในใ น, ในส่วนของประสุน์นี้ในตอ น, ต, อนต่อไปคฝากคำถามไว้ที่ p พียวธร a m a c o m ได้ครับเจริญปานยังก็ท่านนี้เนาะเจริญกลับกลับรัศการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูรณนะ์พ่พุโนโครับ